และดีเจคู่ขวัญขวัญใจคนเดิมดีเจทิพยเนตรและดีเจวินัยใจซื่อในรายการลูกทุ่งเพชรดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม <S <S มาแล้วมาแล้วลูกทุ่งเพชรดีครับรายการ<ม>ที่หลายท่านรอคอยมาตรงตามเวลา ตรงตามเวลาตามนัดเลยนะนะครับที่เขาเวลาเดิมครับผมรายการที่หลายๆคนนั้นรู้เลยว่าสองคนนี้มาจะได้ฟังเพลงแบบไหนฟังเรื่องราวอะไรบ้างแต่เรื่องราวอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ถูกหรอกะขนาดเรายังไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็รีบมาเข้ารายการใช่นะครับวันนี้ อ้าวผมวินัยใช่ไหมใช่ครับผมผมที่เพนเนตครับครับผมแม่มีการถามผมวินัยใช่ไหมลืมรายงานตัวนะครับผมกินข้าวกินปลามาแล้วหรือยังกินกินมาแล้วแล้วทำไมกินข้าวกับปลาล่ะส่วนใหญ่เขาก็จะถามแบบนี้แหละเออกินข้าวกินปลามาแล้วหรือยังใช่ไมไม่เห็นมีใครถามเลยกินข้าวกินหมูมาแล้วหรือยังเนะสังเกตไหมกินไก่มาแล้วเนะครับ กินไก่ที่ได้ลากไปกินในน้ํำไหมไม่ครับแล้วกินปกติกินบนบกเลยแลยังไม่ร้อนขนาดนั้นโอครับผมไก่สุกด้วยนะตัวอะไรลากไปกินในน้ําอ๋อก็เป็นอ่าบรรยั่งข้บุรุษของแยะนิดนึงเป็นเพื่อนกันกับจอร์เจียอะไครับผมประมาณนั้นเมื่อกี้ว่าอะไรนะไก่สุกอะไรนะไก่ไก่สุกนะถ้่กินอ่ะแล้วครับผมไม่กินไก่ดิบใช่ไหมไม่กินไก่ดิบไก่วัดลรากินไหมไส้ไก่ชอบอยู่ ไส่ไก่ใช่ไหมกินไก่วัดไหมไก่วัดใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวจะมีปัญหากับสมพันธ์ทาไมสมพันธ์ต้องกินไก่วัดเป็นคําเปรียบเปย์นะครับว่าก็ประมาณว่าอืไม่ไม่หากินไก่อเอาอยู่ใกล้ๆตัวนี่นะหากินไม่ไกลปืนเที่ยงว่างั้นเหรอคนชอบเอาไก่ขาวไปปล่อยวัดครับผมใช่ไหมแล้วสุดท้ายมาผู้สมพันธ์เห็นอ่านี่ขอพูดเรื่องนิดนึงนะ ไหนก็พูดเรื่องพระเรื่องเจ้าแล้วหน่อยหนึงเบอกว่ามีพระบางรูปนี่นะไม่รู้พระจริงพระปลอมกินข้าวเย็นคงไม่ทงไม่กล้าเช้งว่าฉันนะทำว่าเป็นพ่ออะไรผมว่าเป็นพ่อญาติโยมกันนะเออก็เอามาม่าใส่บาทอย่างเงี้ยนะแล้วมาม่าจะให้กินตอนไหนคุณกินตอนดึกๆกตอนตอจังหันเช้า ก็มีคนถวายอยู่แล้วเพนก็มีถวายเพนก็มีอยู่แล้วแล้วให้มาม่าไปมาม่านี่เอาไปทำอะไรเออเอาเก็บไว้เดี๋ยวก็ไม่กรอบไม่อร่อยอีกแล้วถูกนะครับหมดอายุเปล่าๆนี่แหละสงสเป็นขัดสัทธายมไม่ได้อ่าสงสัยเป็นภาพปลอมครับผมประมาณสักสี่ห้าทุ่มกินมาม่าหอมฉุยมาเลยอย่างเงี้ยเออเนนเดินผ่านเนี่ยมีต้มยำไหม จริงๆนะเออมันมีนคือ บ, บางที่น่ะเราไม่ได้ดูเหมือนศาสนานะครับมเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกอว่าพระนี้เป็นสมมติสงฆ์ก็คือสงที่ยังคงต้องอมีความพยายามในการปฏิบัติอยู่นะครับยังไม่ใช่พระที่บรรลุอะไรแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ให้ยึดตัวธรรมะเป็นหลัก แต่พระปลอมนี่ก็ไม่น้อยนะที่เป็นข่าวเป็นคราวนะครับมาเรียร์ไล่เงินนะมาใส่ชุดผ้าใสชุดเหลืองอ่ะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เยอะตอนแรกสมัยก่อนนึกว่ามีแต่ในเมืองไทยอ่ะที่จอกตีแจกไปซองกระถินพ่าป่าหลังมาที่จับมามีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยใช่ครับเออแล้วจะเราจะดูยังไงคนนี้เนาะวิธีการดูฮะดูไม่ออกความไม่เหมาะสมเนี่ยจะจะเห็นอยู่แล้วล่ะนะครับพระก็ควรที่จะ อยู่ในที่ที่ควรอยู่สัมอ่สํารวมอะไรแบบนี้อันนี้ไปผูกเปนอนอยู่ในป่าอะไรเงี้ยนะผูกเปย์เหรอผูกเปย์นอนไม่ใช่ปรากฏนะไม่ใช่ปรากกฏนะผูกเปย์นอนอ่าแล้วก็มีการซื้อเหล้าไปกินอะไรกันดื่มดื่มพะเมาได้ที่เสียงดังอ้าวนะถูกจับถูกจับคิดเหล้าไม่ได้เหรออ้าวเป็นคนธรรมดา พระกินเหล้าได้ไหมครับพระกินเหล้าไม่ได้เอ่งเหรอสุรากินเป็นระยะระยะมัชชะประมายไม่ได้ยินไหมครับผมหาศิลห่านะเออทาไมผมเห็นกินกันเยอะโอยพระปลอมที่เขาจับจับนะใช่ไหมพระเพื่อนที่ว่าล้วงพี่ไม่เมาออกข่าวบ่อยบ่อยบ่อยมากเออแล้วก็ปฏิเสธหน้าเขาเรียกว่ากินเป็นยาหน้าซื่อนะเออแปลกมากเนาะกินเป็นยาครับผมเออเอ้า ก็อย่าลืมศาสนาที่ใจนะครับก็พระบอมีเยอะอืพระจริงๆพระดีๆก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าไม่อย่างนั้นเขาก็แย่สิครับอ่าพระดีประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปร์เซ็นต์อ่ะที่เหลือมันเป็นเหลือศาสนาครับนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็ฮเจอพระไม่ดีแค่นั้นเองแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบอกว่าอะไรนะกินเพื่อ เป็นกระใสใช่ไหมเป็นกระใสครับเออนึกถึงเรื่องนี้นึกถึงแพชยดีเลยนะออเออคือบางคนเนี่ยคำว่ากระใสนี่อ่าปวดแข้งปวดขาปวดนู่นปวดนี่อ่ะไปแก้ด้วยการไปกินเหล้าขาวอ่าเออทํางานมานี่เหนื่อยเมื่อยไปไถนาอะไรเงี้ยครับแวะร้านค้านะเอามาสักกักหนึ่งประมาณสักเอ่อหนึ่งขวดเครื่องดื่มชูกำลังใช่ไหยครับผมยกหมดเลยอ่ะอ่หน้าตาเฉยเลยนะออ ระวังนะโลกตับจะถามหาครับผมวันนี้ง่ายๆครับสมุนไพรเพชรดีกร่องสีเขียวดีกว่าครับผมปัญหาเรื่องปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเข่าเขอาเสพข้อเข่าเสื่อมมอหลองกระดูกทับเส้นประสาทการเห็บชาที่ปลายมือปลายเท้านะครับครับฮก็มาตรฐานจีมพีครับครับผมมีการควบคุมการผลิตโดยเกษัชกรแพทย์แผนไทยฮะดูแลเข้มงวดเลยนะครับผมนี่ มีใบนุญาตด้วยตีมือเลยไมอร์ไม่แอร์เลยนะครับดูแลไม่ใช่ตีมือธรรมดานะให้เอามือจุ้มๆเขาไว้แล้วเอาแปรงลบประดานด้านที่เป็นไม้ไปลงไปบนเรียวผมโอ๊กคู่วบใจลายไมครับก็ดูแลทุกขั้นตอนนะครับพร้อมทั้งขัดสันเตสมุนไพรที่ดีเถาววันเปรียงเถาวโคคลานแซมมาทลายเถ่าเอ็นอ่อนกําลังพยาเสือโคร่งเนี่ยการปลูดดอกจันทร์พริกไทยร่อนและสมุนไพรอื่นๆนะครับสะอาดปลอดภัยปลอดภัยไม่มี สารสเตียรอยนะครับไม่มีพวกสารเคมีด้วยแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนครับผมก็อย่าลืมสังเกตด้วยในส่วนของเพชรดีของแท้ก็ต้องกล่องสีเขียวครับผมมีสติกเกอร์รูปกล้วยครับแล้วก็มีคําว่ากล้วยกล้วยติดที่หน้ากล่องและฝากกระปุกด้วยนะครับครับผมหนึ่งผลงานเพลงครับจากที่ไหนขอมาจากทาง นครราชสีมาโอราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันครับผม น, น, นะแฟนรายการบอกว่าขอฟังสัตตีดวงสว่างเพลงนี้เจ้าพ่อเพลงหวานเหมือนั้นเนี่ยครับ<ช>ถอนคำสาบานครับโอ้หวานเจี๊ยบเจี๊ยบเชิญรับฟังครับครับ เปลี่ยนแปรชั่วการหาใครผิดคำสาบานให้มีอันเป็นไปพ้นผ่านครั้งนั้นไม่นาน ท้ายเอื่ไปหนุ่มหนึ่งเขาตรอมใจชอบทำมหาหยาโมหนุ่มคนนั้นก็คือฉันนี่เองอยากจะตะเป็นเปล่งเสียงร้องให้มาทอนสาบานต่อ ายามโมด้วยใจสุดช้ำเสโซเหมือนคนจวนสิ้นใจอย่าปโปรดยกโทษให้เธอไปดีอย่าให้มีคืนคมระทมอันใดลูกสุดแสงรา อยากให้เธอสุขใจอยากโกรธแค้นเครื่องใดลูกขอรับไว้ผู้ เธอไปดีอยาให้มีคืนคมระทรมอันใดลูกสุดแสงรักอยากให้เธอสุขใจอยากโกรธแค้นเรื่องนดลูกขอรับไว้ผู้ดี ค่ะผมเคยสาบานที่ไหนไหมเคยสาบานไหมเหรออ่าอืมในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าไปบ่นบานสันกล่าวไว้มากกว่าอแต่ไม่ถือว่าสาบานเนาะใช่ไหมถ้าเกิดว่าอ่าผมสอบนั่นติดผมทํามานี่ได้ฮะผมก็จะไปอแก้ผ้าําถวายอะไรแบบนี้คือสาบานนี่ผมว่าน่าจะใช้กับคําว่าเกี่ยวข้องกับการทําผิดอ่ะใช่ไหมครับผมถ้าสมมุติว่าฉันนอกใจออฉัน ให้ฉันเป็นนู่นเป็นนี่คือการสาบานใช่ไหมใช่หรือว่าสาบานว่าลูกช้างไม่ได้เป็นคนขโมยมันต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไงใช่มครับบนบานสารเก่าเนี่มันไม่ได้ผิดนะใช่ไหมขอให้สอบเข้าแพทย์วิศวะทาปัดได้อะไรเงียบเนาะแล้วบางคนนี่มีนะแต่สาบานนี่เป็นแบบคํามั่นสัญญาเป็นคำมั่นสัญญาใมันมีความผิดอ่ะมันมีเรื่องของความผิดสังเกตไหมว่าครับอ่าอย่างคนถ้าจะนอกใจแฟนนะพากันไปสาบาน อย่างเงี้ยขโมยของไปสาบานที่วัดดังๆอะไรเงี้ยกินน้ำสาบานประมาณนั้นเพื่อร่วมสาบานหักหักหลังกันเคยเคยกินไหมครับกินน้ำสาบานเคยกินสิตอนจบมาใหม่ๆฮะสมัยก่อนยังไม่รู้จักหรอกพวกเอ v อวมันมีน้อยไงนั่งกินเหล้ากัน ตอกเล่ากันเลยกับเพื่อนรมรุ่นสี่หคนเนี่ครับผมแล้วก็เราเนี่ยมันมีความรู้เรื่องทางการแพทย์ไงไม่ได้กีดเลือดนะทหารหมออ่ะครับผมใช้เข็มเบอร์สิบปดเจาะสลิงดูดฉลงไปในแก้วเราในแก้วเราอ่าแล้วก็ยกคนละกลึบพวกเราอ่าเรา้องสิทธิ์สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องวันนี้เราจะร่วมเป็น พี่น้องร่วมสาบานกันเลแบบนี้งุ่นใช่มอแล้วมแต่ไม่กล้าอีแขนนะปวเจ็บไงผัดกันผัดกันเอาเข็มเบอร์สิบแปดดูดเลือดออกมาคนละห้าซีซีเสร็จแล้วเาไปผสมอยู่ในแก้วเดียวกันเล่าเทใส่ลงไปแล้วก็คนละกึ๊บเอาเคยจริงๆริงจนถึงปัจจุบันนี้คือเมื่อก่อนมันไม่มีเอชไอวีอะไรเงี้ยอ๋อครับดีว่าปลอดมาได้ ทุกทุกคนยังอยู่ได้อุดมสมบูรณ์ดีครับเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งเกือบสามสิบปีแล้วทุกคนเสียวมากอุดมสมบูรณ์ไม่ไม่เฉยเฉยเพราะเมื่อก่อนมันมันไม่ค่อยมีเรื่องนั่นไงมารู้ข่าวทีหลังไงเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามี HIV มีอะไรแบบนี้อ่เจ้าเสียวอยู่เนาะแต่ถ้าผมดูแล้วแหละถ้าเกิดว่ากินเลือดลงมาเนี่ยลงไปในนั้นครับ HIV ตายหมดเล่าไะ บางทีเมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามอแต่บาคนก็กินหนักกันเลยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางคนนี่นะกินลูกไม่ไหวเลยนะคือที่บ้านเราจะมีน้ําเกลือด้วยครับนะต่อสายน้ําเกลือเลยแขนซ้ายนะแขนขวายกแก้วเหล้าเอาสิเอาเอาเอากระข้าสิขนาดนั้นเลยนะนี่ถ้ามีเซลฟี่ได้นี่ครับโอ้โหรับรองเป็นพันเป็นหมื่นไลค์แน่เลยงานนี้นะครับเยอะมากก็ไม่ดีนะครับ อะให้พอดีเป็นพอกระสายกันแล้วกันจิบๆพออาเจียนครับผมอพอจําหน้าใครไม่ได้ก็พอครับพอเพื่ออะไรล่ะสัตว์เลี้ยงที่บ้านด้วยนิดนึงความหมายคือกินเผื่อหมาใช่ไหมเออเอานะครับศูนย์ไพรเพชรดีกล่องสีเขียวครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้เช่นเคยครับนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการยกแก้วอืมไม่ใช่สิปวดคอของหนักพออยู่ของหนักยกของหนักหรือว่ายกของผิดท่าผิดทางครับผมอืมก็ดื่มอล้ก็ทาน เพชรดีกลองสีเขียวนะครับครับผมสมุนไพรล้วนๆเลยทั้งเถาวันเปรียงเถาเอ็นอ่อนเถาว์โคคลานครับแสมัทลายกําลังพญาเสือโคร่งการปลูดอกจันพริกไทยร่อนแล้วก็สมุนไพรอื่นๆนะครับสารพคุณหลักๆเลยครับบําบัดบรรเทาครับผมอาการอะไรบ้างอาการปวดเมื่อยปวดเมื่อยอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อแก้อาการปวดเข่าปวดขา ปวดตามข้อคำว่าปวดตามข้อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้อขาข้อเข่าข้อเท้านิ้วมือใช่หมดใช่ไหมใช่ทั้งหมดขอให้เป็นรอยต่อระหว่างกระดูกเขาเรียกอะไรนะเป็นจอยเท็นดอนอ๋อเส้นเอ็นอ๋อเส้นเอ็นเหรอเทนดอนจอยไป่ว่าข้อต่อใช่เส้นเอ็นก็เกี่ยวเนี่ยเรื่องเส้นตึงเส้นหย่อนคือเส้นเนี่ยตึงไปก็ไม่ดีหย่อนก็ไม่ดีครับผมยึดก็ไม่ดีคผมจมก็ไม่ใช่อีก มันจะต้องยืดหยุดได้พอดีนะถึงจะไม่มีอาการปวดไม่มีอาการบวมอาการอักเสบเกิดขึ้นเน็บชาก็ได้ใช่ไหมเน็บชาด้วยปลายมือปลายเท้านะครับกระดูกทับเส้นบางคนนี่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นกระดูกทับเส้นนะก็วิธีใช้ผิดกันไปคนละทางก็มีแต่จริงแล้วเพชดีกล่องสีเขียวก็ครอบคลุมอาการต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นสมุนไพรที่แบบแคปซูลเป็นแคปซูลนี่กินง่ายพกพาง่าย2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นแล้วก็ปุกหนึงมี100่งร้ยแคปซูลโดดเด่นด้วยกรรมวิธีการผลิตครับเทคโนโลยีด้วยวิธีปัสจากเชื้อครับผมหรือว่าแอสซิบติกเทคนิคมีเลขาจักรแพทย์แผนไทยมีเลขทะเบียนยาโอทะเบียนยาก็ชัดเจนเลยทั้งนั้นจีสองหนึ่งเจ็ดับครับผมก็สนใจนะครับ จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยหลายคนก็โทรเข้ามาสั่งให้ไปส่งที่นั่นที่นี่บอกรายละเอียดให้ชัดเจนก็แล้วกันเดี๋ยวไปลงซอยนะครับแล้วก็เยอะเลยนะจะเป็นทางไว้ไปนีก็ได้ใช่บมก็สะดวกเช่นเดียวกันเบอร์ call center นะครับ0846432322และ0851883032ครับ เมื่อยไหม่ปวดไหมไม่ปวดชาไหมไม่ชาทำยังไงไม่เมื่อยง ไ, ง ไ, มมอไม่ปวดไม่ชาสุนไฟเพชรดีกองสีเขียวใช้อะไรนะสุนไฟเพชรดีกองสีเขียว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 88 3032และ084 643 2322เมื่อไหมปวดไหมไม่ปวดชาไหมไม่ชาทํายังไงไม่เมื่อยไม่ปวดไม่ชาคุนภายเพตติกลอสีเขียวใช้อะไรนะธุนภายเพตติกลอสีเขียว ตั้งแต่มีช่วงเปิดสายสดๆขอเพลงกันหน้าไหม่เนี่ยอุ่นนาฟ้าข้างเหลือเกินนะรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวเดียวดายก็มีคําถามฝากมาด้วยนะเรื่องของเพชรีอะไรพวกเนี้ยนะว่าเทวันเปรียงเทวอ่อนเทาโคคลานเนี่ยสกัดแล้วเนี่ยเราเอาไปต้มกินได้ไหมเวลาเราได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็จริงแล้วเรามีสูตรของเราเนาะเภสัชกรเป็นคนควบคุมไงนะต้มกินอ่ะหนึ่งกลัวว่า ที่ท่านซื้อมาเนี่ยตากแห้งหรือเปล่ามีมีเชื้อราปนเปื้อนไหมครับผมแล้วก็เก็บไว้เนี่ยมันจะเสียมันจะนั่นไหมครับผมพอเรากระบวนการการผลิตเนี่ยผลิตด้วยวิธีปัสจากเชื้อแคตดีของสีเขียวเนี่ยครับคือบางคนก็นะเวลาเราพูดจริงแล้วมันไม่ใช่มีแต่เทะวันเปลี่ยงเท้าเวนอนเท้าโคคารยังมีอย่างอื่นยังมีอย่างอื่นอีกแช่นะวันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเป็นสูตรพิเศษอ่าแล้วของเราเนี่ยมีทะเบียนยาครับผม G21757 สามารถ พกพาไปได้ทุกที่เลยนะครับหกระปุกก็มีตั้ง100แคบซูลครับกิน2องแคบซูลก่อนอาหารเช้าเย็นครับมีคนช่วยควบคุมช่วยตรวจสอบดูแลให้ท่านเกิดความมั่นใจก่อนเภสัชกรแพทย์แผนไทยนูนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีเพชดีกองสีเขียวอยู่ในมือแล้วครับถือว่าโอ้โหนี่แหละท่านได้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแหละอุ่นใจได้นะครับเอาละช่วงนี้ ช่วงไหนครับขอเพลงอ๋อเหรอขอเพลงหน้าใหม่ก็รับวันหนึ่งไม่เกินสามสายครับโทรมาได้เลยหนึ่งเพลงนะครับชื่งชอบศิลปินท่านไหนก็มีลิมิตมีโคต้าเท่านี้ใช่ใช่นะครับจริงๆแล้วก็อยากจะจัดให้หลายๆชั่วโมงเลยว่าจะเปิดสักสิบสายอ๋อแต่ว่าเวลามันได้เท่านี้แต่เท่านี้ก็ดีนะสามสามเพลงนี่กำลังพอดีเราก็หลับฟังเพลงสบายไปก่อนครเพลงพรๆนั้นเลยเพลงจบแล้วเดี๋ยวเราก็มา พูดคุยกันต่อเอาล่ ะ, ะโทรเข้ามาเลยดีกว่านะครับนะตอนนี้พร้อมแล้วครับทางเจ้าที่ของเรา<ะ>ให้สัญญาณมาแล้วนะครับเปิดไซเรนวิววววก็มีอ่าเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรพร้อมแล้วนะโทรเข้ามาเลยที่เบอร์นี้ครับ0846432322 <c oughs> และ0851883032ครับครับก็ ก่อนก็ได้พูดคุยกันคผมนะท่านที่เป็นสายที่สี่สายที่5้า8ยังไงก็เราบอกได้เลยว่าใครขอก่อนปุ๊บได้ฟังปั๊บที่หลังฮได้ฟังก่อนซื้อตามลําดับเอายังไงก็ฝากไว้กับที่คอนเซนเตอร์ก็ได้เปิดให้ฟังแน่นอนอยู่แล้วมาแล้วฮะมาแล้วใช่ไหมเหยื่อของเราสายแรกวันนี้ผู้หญิผู้ชายเอาพี่เก้บอกทักทายกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม แม่น้อยด้วจ้าแม่น้อยเมืองคนแม่น้อยเมืองคนขอนแก่นเนาะครับผมแม่น้อยโทรมาฟังเพลงอะไรวันนี้ให้หนุ่มรถไถจ้าให้หนุ่มรถไถใจคอไม่ดีนั่นเหรออ๋อนะยังมีทั้งสายยันทั้งสันติจ้าเอาใครร้องเอาสายยันไหมสายยันเนาะจ้าอ๋อสายยันอาต้นฉบับเลยแม่น้อยอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุหกสจ้าหกสองอืมครับผมแม่น้อยทําอาชีพอะไรครับ ทำนาจ้าทำนาใช่ไหมไม่นาเหรอฟังไอ้หนุ่มรถไถใช่ไหมอยากจะสางยาจ้าอ๋อสมุนไพรเพชรดีสมุนไพรเพชรดีใช่สมุนไพรเพชรดีใครกินเ่นี่ยใครกินแม่น้อยครับใครกินให้ตากินจ้ะอ๋อให้ตากินออใช่ไหมก็คือให้ให้สามีของแม่น้อยกินให้สามีกินอ๋อแล้วก็ตาเขามีอาการไงถึงได้กินปวดขาปวดขาใช่ไมจ้ะตาก็ทำนาด้วยกันจ้าทำนา อ๋อแม่น้อยกินด้วยไหมเนี่ยจะกินด้วยอ๋อเอางี้แล้วกันแม่น้อยเอเดี๋ยวจะโอนสายให้แม่น้อยคุยกับเจ้าหน้าที่นะจ้านะเดี๋ยวเขาจะถามชื่อที่อยู่นะว่าจะให้ส่งแบบไหนยังไงเนาะจ้านะแล้วไงก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังไอ้หนุ่มว่ัชัยนะจ้าจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับายการเพชรน้ําดีใช่ไหมครับรายการเพชรดีเพชรดี นลูกทุ่งเพชรดีใช่ไหมครับพี่ใช่ปาร์ตมาเติมเพชรนำดีเฉยเลยโทรจากที่ไหนเนี่ยเต้นต้นหรือเป่าเนี่ยโทรจากจังหวัดปฐุมครับพี่พอดีปฐุมธานีฟังฟังรายการวันี้ครับปุมอออากาดหลายหลายหลายขึ้นว่าจะสั่งสมุนไพรเพชรดีครับมาเป็นของของชำรวยของฝากให้ญาติครับโอจะซื้อไปฝากญาติจะซื้อไปฝากแม่ตกใจเลยถ้าเราสั่งเยอะนี่คือยังไงครับคือได้ได้เหมือนกัน อ๋อเดี๋ยวคยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับคอรเซนเตอร์ดีกว่านะนะเดี๋ยถามชื่อหน่อยชื่ออะไรที่ตั๊กครับคุณตั๊กอ๋อคุณตั๊กอายุเท่าไหร่ครับผมอายุยี่บปีครับยี่บหกใช่ไหมยี่สิหกปียังหนุ่มยังแน่น่อยูเลยก็เลยไม่ได้กินเองเนาะก็เลยเอาไปฝากใช่ไหมคือได้ก็เปิดมาฟังดีขึ้นของพี่บ่อยบ่อยครับเลยว่าจะอ๋อฟังเป็นประจำตัวนี้ดีก็เลยว่าจะซื้อไปฝากญาติที่บ้านอย่างเพื่อนที่เพื่อนที่ทำงาน อ๋อครับคเออแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรบ้าคุณตั๊กขอครับขอฟังเพลงจุกไม่หวานครับของจุกไม่หวานสวัสสันติใช่ไหมสันติใช่ไหมอ๋อครับได้ได้ได้เปิดให้ฟังอือเอางี้นะคุณตั๊กถ้าจะสั่งหลายๆกล่องเนี่ยหลายกระปุกเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็คุยกับคอสเซนเตอร์แล้วกันนะ แล้วก็การจัดส่งยังไงเนาะนะจะบางสายนะจะได้ถามเขาว่าเออสั่งเยอะเนี่ยเขามีราคาพิเศษลดอะไรไหมอย่างงี้ใช่ครับว่าจะถามอยู่ที่มีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรบ้าอยเเดี๋ยวถามคอเซนเตอร์แล้วกันครับผมเดี๋ยวคุยโอเคนะครับนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ่ไม่วานอืมออกรขึ้น ปฐุมธานีหลายขึ้นเลยนะครับก็อําเภอเมืองอำเภอหนองเสือแถวลำลูกกาแถวลังสิทธ์เนี่ยแถบนั้นก็ส่วนใหญ่คนเขาทางานแล้วก็จะเปิดวิทยุหมุนไปเรื่อยๆไงทิ้งไว้แล้วแถวนั้นโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเลยนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับเสียงหวานจังเลยสวัสดีค่ะคมาจากไหนเอ่ย อุดรค่ะอุดรธานีใช่ไหมครับผมวันนี้โทรมาขอเพลงเหรอครับผมขอฟังเพลงคิดถึงที่หมายรอเองพี่พี่อยากซั่งยาไหมจ้าตกลงว่าวิสานได้แมนมอนี่อรียนว่าได้ค่ะแล้วอ๋อโทษแต่อุดรเนาะอุดรว่าได้ชัดสั่งยาเพชรดีครับผมสมุนไพรเพชรดีว่างั้นเถอะอ๋อใครกินกาพี่กินเองค่ะคือพี่เป็นแม่ค้าตำมัก่งอะนะตำมักฮงส้มตำอะเนาะ แล้วคุณพี่อายุเท่าไหร่ล้วครับอายุสี่สิบแล้วค่ะอ้โครับคุณพี่สี่สิบปีครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับครับผมพี่รัตค่ะคุณรัตใช่มไหมอยู่อุดรตําบกหงขายดีเหรอถึงได้ปวดเมื่อยตําเนื้อตําตัวปวดหลังปวดเอวเนี่ยค่ะแต่พ่อได้ขายอยู่ค่ะวันละสองร้อยครกถึงไหมไม่หลุดนะไม่หลุดจากนี้สามารถได้เลยค่ะเอาเอ เดี๋ยวจะกันทั้งหมู่บ้านโอนสายให้คุณรัตคุยออกับคอรเซนเตอร์ครับผมนะมว่าจะให้สะดวกส่งแบบไหนเนาะเพลงเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับเมื่อกี้ถามว่าคิดถึงพี่ไหมคิดถึงอยู่นะพี่รัฐนะโอเคเนาะครับครับสวัส ด, ดีครับดดครับสวัสดีครับจากอุดรธานีนะครับโอ้พี่รัตตอนแรกก็ตั้งใจเลยนะจะพูดกลางนะครับโอ้ยนะคงไม่ไหวมันไม่ถนัดอะไรแบบนี้นะเจ็บกกลิ้น เอาเป็นลูกทุ่งกลางเก่ากลางใหม่นะถ้าจะขอเพลงประมาณนี้แหละหลายคนก็เข้าใจคอนเซปต์เลยนะที่โทรกันเข้ามาขอบคุณนะครับสำหรับการสอบถามได้ตอบรับเป็นอย่างดีสําหรับสมุนไพรเพชรดีด้วยเป็นดีของแท้นะครับอย่าลืมกล่องสีเขียวแล้วก็ดูสติกเกอร์สามิตินะครับรูปกล้วยแล้วก็มีคำว่ากล้วยกล้วย ติดที่หน้ากล่องและฝากระปุกด้วยนะครับครับผมปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของปวดแกงปวดขาปวดหลังปวดเอวครับผมปวดข้อเข่าปวดข้อเท้าเส้นเอ็นยืดเอ็นตึงหมอนรองกระดูกทับเส้นครับทําให้เจ็บทําให้ปวดทําให้ชาอย่างเงี้ยนะข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมครับยกของผิดท่าผิดทางครับนั่งนานยืนนานนอนนานครับที่นอนมันนุ่มเกินไปอย่างเงี้ย่าปวดได้ทั้งนั้นเลยครับ เพชดีกล่องสีเขียวครับไม่มีวางจำหน่ายตามตลาดนัดเปิดท้ายขายของอะไรแบบนี Then, ้นะครับทายไม่มีของแท้ต้องเบอร์คอเซนเตอร์ครับชัวร์มากคอเซนเตอร์นี่ของแท้แน่นอนครับเบอร์คอเซนเตอร์ศูนย์แส2และ085 1883032นะครับครับตะกี้นี้อะไรบ้างนะครับผมมีคุณแม่น้อยครับจากเมืองพนมงพลขอนแก่น ไอ้หนุ่มรถไถไอ้หนุ่มรถไถเมื่อกี้เขาขอของใครสายันสัญญาเอาต้นฉบับเลยครับ2้1 8คุณตักจากปทุมธานีปทุมธานีอันนี้ขอฟังสันติดวงสว่างครับผมจูบไม่หวานจูบพี่หวานน้อยไปหน่อยครับผมแล้วก็คุณรัตจากอุดรธานีอุดรธานีคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่ไหมเขาขอของใครเมื่อกี้เอาเป็นต้นเอาไม่ใช่ต้นฉบับเพราะเหมือนกันนะครับสําหรับคนนี้เอามาร้องสอนคิรีสีประจวบ อ๋อนะครับใช่ไหมเดี๋ยวได้ฟังกันเลยครับผมสามผลงานเพลงครับเราไม่กวนใจเลยนะครับผมให้ฟังยาวเลยครับไ ม, ไม่พูดแทรกครับไม่แทรกครับ ใที่รถเก่งฟังเพลงลูกพรุงอย่าลืมลูกพุุงที่ขับรถไทยมาพ้าดัดคล้ำด้วยใครแต่หัวใจไม่ดามเหมือนคนชาวกรุง ไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีหวังแต่แฟน ท, ที่ไปเปืืองฟูวันจังเพลินเสียงลืมตาลุงกลิ่นน้ำปรุงเนเมืองกรุงลาดลอ จนขามมันหักตาร้องคาผพี่ก็ชักเศร้าอยหาพีกว่าตั้งจารอ้องโหยหรือน้องกลอยไปเป็นเลน้องในคัาย่า ไปเรียนเพืิอสวยทำไมตั้งนาป้าลุงทางบ้านเต่าหวงคอยหานั่งคอยมับควันตั้งตาจนยากสูงขึ้นมาท่วมหัวพี่เอง มันหากีตารองคับที่ก็ชัเศร้าซอยหาปีกว่าตั้งตารองคงเปลือน้องกลอยไปเป็นเลียน้องในห้องคขา ไปเรียนเซินสวยทำไมตั้งนาะนตาลุงทางบ้านเต่าควงโขยหาพี่นั่งโขยนะับวันตั้งตาจนยาค่ะสู มาท่วมหัวใจ ให้สิ้นลมหรือดาบคงเงือฝันให้จนยังดีกว่า ชาาวดินพี่จนเงินน้องเมินหลบหนีคนมีเขากไปกินน้องจากดินเห็นดินยากจนเปลี่ยนคนที่จูบัน ดมดมเมืองไม่ไกลคิดถึงพี่น้อยนักลอยใจเจ้าพี่ตรมพี่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหมฝากใจกับจันฝากฝันกับดาว ทุกคราวก็ได้เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน นักรอยใจเจ้าที่ตรงที่เหงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหมฝากใจกับจันฝากวันกับดาวทุกคราวก็ได้เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน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 สินค้าที่มีคุณภาพโปรดสังเกตสติกเกอร์สามมิติพิมพ์คำว่าเลือกกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกสอบถามเพิ่มเติม085 188 3032และ084 643 2322โอ้เห็นว่ามีคำถามครับผม ถามมาฝากไว้ที่คอร์เซนเตอร์โอ้เลยเหรอใช่ลืมไงออนะหมอจะพูดเรื่องลืมสะเพลินเลยเรื่องสามเพลงเมื่อกี้ฮะนะครับฟังกันแบบเพลินเลยนะฟังเพลินครับก็กําลังคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องเพลงดีไหมแต่พอดีมีคําถามแทรกหมาแทรเข้ามาว่าขอตอบเลยขอตอบเลยก็แล้วกันครับถามก่อนสิถามว่าเป็นโรคเกาอยู่ครับผมนะแล้วตอนนี้ไปหาหมออยู่เนี่ยอืมกินสมุนไพรเพชรดีด้วยได้หรือไม่ ตอบว่าจําเป็นต้องกินครับผมนั่นแล้วก็จําเป็นต้องไปหาหมอทั้ง2อย่างเลยใช่ใช่คือโรคเกาเนี่ยนะมันเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือว่ากระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายของตัวเองเนี่ยคมันย่อยสลายโปรตีนไม่ดีไงทำให้มันไปสะสมในข้ออย่างเงี้ยกลายเป็นเกลือยูริกหรือว่ากรดยูริกก็ทําให้ปวดหรือว่าไขข้ออักเสบบางคนสะสมในไตก็กลายเป็นนิ่วในไตอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วก็เวลาเป็นเนี่ยมันต้องกินยาลดกรดยูริก กดยูริกตลอดชีวิตก็คือต้องไปหาหมอมันเยอะไม่ดีเนา ะ, ะครับออต้องลดลงมาตแต่เวลามันปวดมันปวดหน้าเป็นปวดมากเดี๋ยวเพราะหนึ่งฤ ด, ดูหนาวจะปวดมากหรือว่าอากาศเย็นลงถ้าหากอุณหภูมิเย็นลงเนี่ยเช่น หน้าร้อนเดี๋ยวเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเราจะปวดใช่ไหมล่ะผมอันที่สองก็คือหากว่ามีไข้สูงอืออันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ปวดตามมาได้อันที่สามกินอาหารผิดสัมดงอันที่เขาห้ามกันนี่แหละอกินหน่อไม้กินยอดผักครับผมนะหรือว่ากินเครื่องในสัตว์กินสัตว์ปีกอะไรพวกเนี้ยกินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็เป็นแล้วก็ยาที่หมอให้มาเนี่ยครับก็ต้องกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามไม่เยอะแม้นมันกัดกระเพาะนะ หลายคนบอกว่าเนี่ยเวลาปวดขึ้นมาก็กินเพชรดีกรองสีเขียวด้วยหรือกินเพชรดีเป็นประจําทุกวันก็คือซองแทบซูนก่อนอาหารเช้าเย็นก็กินร่วมกับการหมอรักษาโรคเกาตเลยนะยารักษาเกาต์คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับผมก็กินได้นะครับคําถามที่ถามมาจากทางจังหวัดราชบุรีหรือจังหวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคาถามแบบนี้คนถามมาเยอะกินแล้วมันไม่ใช่แต่เกาเท่านั้นไง ผู้ป่วยไขข้อลูมาตอยก็ต้องกินยาหมอแผนปัจจุบันแล้วกินแพทยติของสีเขียวด้วยก็ได้ครับผมรวมไปถึงท่านมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นไขข้อกระดูกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆออืปวดเมือ่อยตามเนื้อตามตัวปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเอ็นยืดเอ็นตึงหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอะไรประมาณเนี้ยกินเลยกิน<ๆ>ได้เลยเพราะว่ า, ว า, าสะดวกด้วยเป็นแบบแคปซูลแคปซูลไม่ขมนะไม่ขมกินได้ไหมสองอสส์สองแคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นครับผมกระปุกหนึ่งมีร้อยแคปซูล ปกไปไหนมาไหนก็สะดวกด้วยใช่ครับนะครับมาตรฐานการผลิตก็ GMP นะครับเป็น Good Manufacturing Product จากกระทรวงอุตสาหกรรมปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับครับผมมีเลขทะเบียนยาครับเป็นยาสามัญประจำบ้าน G 2 1 7ทับครับอันนี้คือความมั่นใจมากๆอทานนะทะเบียนยานี่ชัดเจนเลยครับผมเขียนอยู่ข้างกล่องเลยใช่ไหมควบคุมติดอยื่ตงนั้นเลยนะตรงข้างกล่องเลยเห็นชัดเจนเลยครับแล้วก็ควบคุมการผลิต โดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับอืมซึ่งได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นความมั่นใจไม่แต่ผู้เชี่ยวชาญน่ะคือแต่มาตรฐานคือสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นความโดดเด่นของสมุนไพรเพชรดีกองสีเขียวนะครับผมที่โดดเด่นที่เหนือกว่าครับผมที่ล้ํากว่าอืมนี่ตรงนี้แหละครับผแล้วก็สรรพคุณก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับเพอย่างนี้แหละก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเลยต้องเตือนกันหน่อยว่ามีของปลอม ของลอกเรียนแบบนะครับอะไรที่มันดูคล้ายๆกันเนี่ยเข้ามาปะปนบ้างแล้วะครับเพื่อความมั่นใจเชื่อมั่นจะต้องดูที่สมุนไพรเพชรีนั้นของแท้ต้องกล่องสีเขียวครับกล่องสีเขียวเท่านั้นครับแล้วก็จะต้องมีสติกเกอร์3มิติรูปกล้วยรมแล้วก็มีคําว่ากล้วยๆนะครับติดที่หน้ากล่องและฝากระปุกสองชั้นกันเลยทีเดียว อ๋อตลาดนัดมีขายไหมเนี่ยไม่มีเหรอไม่มีครับถ้าจะให้ชัวทำไงให้ชัวเลยเอาของจะได้ของแท้ 100% เอ่ะของแท้ 100% ตัวแทนจำหน่ายนะครับที่เบอร์โทรศัพที่คอ r e เซนเตอร์ของเรานะครับโทรมาสอบถามข้อมูลต่างๆการจัดส่งนะอะไรแบบไหนยังไงได้เลยนะครับคอร e เซนเตอร์เบอร์นี้ 084-643-2322 และ 085-188 30-3 ศครับปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกรงสีเขียวปวดเข่าปวดแขนปวดขาสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกรงสีเขียวปวดตามข้อไขข้ออักเสบกระดูกเสื่อม สมุนไพรแคปซูลแพชยดีกรองสีเขียวกระดูกทับเส้นเนบชามือชาเท้าชาสมุนไพรแคปซูลแพชยดีกรองสีเขียว 1> <1> สมุนไพรแคปซูลแพทยดีกรองสีเขียวประกอบด้วยเถาวันเปียงเถาวัลยอ่อนเถาโคคราโคลนแสบหมาทลายกัมมังทยาเสือโครงกานครูดอกจันพริกไทยลอนและสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรแคปซูลแพทยดีกรองสีเขียวปลอดภัย ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการเหน็บชา ต, ตามร่างกายสมุนไพรแคปซูลเพชรดีรงสีเขียวยาสัมผมัสประจำบ้านทะเบียนยาเลขที่ G217 งหทับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยโกรนอาชลา ก, กอนทยาทุกครั้งเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์สามมิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกลวยและมีรูกล้วยติดอยู่ ติดต่อคอ l l เซ็นเตอร์โทร084 643 2322และ085 188 3032ขอบุณทุกเสียงทุกสายนะฮะกับการที่โทรศัพท์เข้ามาถามเรื่องเพชรดีล่นหลม่มนะขอเพลง ถาว่าเปิดไม่ทันวันนี้ก็คงเป็นโอกาสในวันต่อไปเนาะผู้สนับสุนรายการในช่วงนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทั้งคุณผู้ฟังด้วยนะครับเป็นดีกล่องสีเขียวมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขทะเบียนยาครับผมนะก็ G 2 1 7 5 7ทนะครับควบคุมการผลิตครับโดยเพสัชกรแพทย์แผนไทยมีใบอนุญาตด้วยเรียบร้อยนะครับคุณภาพมาตรฐานสักขนาดนี้ครับผมมั่นใจได้เลยมั่นใจมากๆบอกได้เลยว่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆก็แจ้งเซ็นเตอร์แจ้งตลดเวลาอยูแล้วเนาะได้ครับวันนี้หนึ่งงานเพลงครับขอมาจากที่ไหนมาขอมาจากจังหวัดอ่ามันมีนบุรีนี่ไม่ใช่เนาะมินบุรีนี่กรุงเทพกรุงเทพนี่อยู่เป็นเขตมินมินบุรีครับผมน่ะรักจางที่บางปะกงอ๋อเอาแบบไหนต้นฉบับเลยไหมสดใสรุ่งโพทองอ๋อนี้เป็นต้นฉบับเลยเนาะครับผมอ่าอ่าทอดหนึ่งครับ ไฟพะวงลงเฝ้าสาวเจ้าบางปะกงประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมวันนี้เสียงแหบเสียงแหงเสียงไม่มีเลยวันนี้ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมอ่ะนะครับพบกับวินัยนะครับกับผมที่เพเนตใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับสวัสดีครับ งเกเอหาโอเวนจำจำรักจาใไปไกลตาในกราธรุ่มตรมไม่เจ้าทำเหมือนพี่มองโคจะมองพี่เหมือนผ้าพันกันเปิดนานก็เลือนล้างไปยายมาตัดไม้ตรีน้อง นังรถฮรามงามด้วยตะทียามมีลองเรือมาตามประสาบานเราหาคนงามถามข่าวมองหาสาวไม่มีชีวิตแทบขาดแล้วบา ที่คืนภายจำคงต้องช้ำแน่นอนต้องจอดเรือขอลาแม่การดางงามงอนกว่าหลวงพ่อโตทอนจงโดนใจยอดชูเจ้าโยแหงไหนอยู่ใกล้หรือไกลสุดโกได้ยินเพลงร้องน้องจงคืนสู่พี่ยังคอยพระทู บางปะกงบางปะกงนะ้ำโค้งขึ้นขึ้นลงหลงใจนงก็คงเละเลือนกล่อนปากน้ำเต็มไหล ข, ข, ขึ้นก็จิดก็จาง โค ด, ดังลำน้ำที่คืนภายจำคงต้องช้ำแน่นอนต้องจอดเรือขอลาแม่นาดาง า, ามงอนวอนลวงพ่อขอถอนจงดนใจหย่อนชูเจ้าอยู่แหงหนายอยู่ใกล้หรือไกลตุนโกได้ยินเพลงร้องน้องจงคืนโซที่ยังคอยเพะถูกอยู่ที่บ้านประกอง